บทภาชนีลักษณะที่ไม่เป็นอันบอกเคืนสิก้าภิกษุทั้งหลายอย่างไรชื่อว่าการเปิดเผยความท้อแท้แต่ไม่เป็นการบอกเคืนสิก้า